นัวเราเข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกของพระพุทธเจ้าคือตั้งใจรักษาสินสินสอรอีให้เข้มงวดกวดขันสินสมาธิปัญญาอันนี้คือหนาทีของพระนะแต่สำหรับจัตาทยโ ย, ายมคือทานสินภาวนาแต่สำหรับพระนี่สินสมาธิปัญญาเริ่มเริ่มเรื่องสินเนี่ยคือกฎระเบียบเลยเราจะอยู่ยังไงถ้าเมื่อศินดี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 เป็นผู้เที่ยงตรงไม่หวั่นไหวไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อว่าฤกนั้นดียามนั้นดีดวงดาวดวงเดือนอพระเลาหูพระลักษณะอะไรอย่างนี้นไม่เชื่อเพราะเเชื่อกรรมคือการกระทำทำดีจะต้องได้ดีทำชั่วจะต้องได้ชั่วถ้าทาชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรนี่พระโสดาบันจะเชื่อในกรรมและผลของกรรมทุกอย่าง